53. การที่เราตื่นขึ้นมาเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาเห็นความจริงเป็นต้นทางของการเจริญปัญญาวงเล็บเปิด 26. กรกฎาคม2 5งหในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดตั้งใจหน่อยนะมันเป็นการลงทุนให้แก่ชีวิตตัวเองธรรมะนั้นต้องปฏิบัติเองถ้าปฏิบัติถูกต้องจะเห็นผลอย่างรวดเร็วเลยถ้าไม่ดือ้อสักเดือนหนึ่งนี่จะรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองแลวคนรอบตัวก็รู้สึก ชีวิตที่เคยแย่ๆเคยทุกนานๆหนักๆก็จะสั้นลงเราจะเหมือนกับคนเกิดใหม่ตลอดเวลาเลยมีชีวิตที่เริ่มต้นใหม่ตลอดเวลาเหมือนเด็กๆตื่นขึ้นมาดูโลกโลกของเด็กแจ่มใสใช่ไหมโลกของผู้ใหญ่ดูเหี่ยวๆเฉาฉเพราะอะไรเพราะเด็กมันไม่ได้คิดมากมีชีวิตที่สดสดใหม่ๆซิ่งๆตลอดเวลาเดี๋ยวนี้เวลาคนที่เรียนจากหลวงพ่อเข้าไปตามวัดครูบาอาจารย์บางที ท่านเห็นท่านก็รู้แล้วบางองค์ออกปากเลยเห็นหน้าลูกศิษย์ก็รู้แล้วว่าใครเป็นอาจารย์เรียนกับหลวงพ่อแล้วจิตมันจะตื่นขึ้นมาในโลกนี้หาคนที่ตื่นยากที่สุดเลยยากมากน้อยคนที่จะตื่นได้การที่เราตื่นขึ้นมาเราหลุดออกจากโลกของความคิดได้นี่เป็นต้นทางของการเจริญปัญญาตรงที่เราตื่นขึ้นมานี่เราหลุดออกจากโลกของความคิดโลกของความฝันแล้วมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงเวลาเราฝันไปคิดไปใช่ไหม ไม่ใช่ของจริงเราคิดอะไรก็ได้ใช่ไหมอายุห้าสิบแล้วยังคิดว่าเป็นนางงามจั ก, กรวาลก็ยังคิดได้มันก็คิดได้ไม่มีใครรู้นี่มันก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่หรือแ ก, งก่งกักงไม่หนุ่มแล้วแก่แล้วยังคิดว่าหลอกเด็กได้อีกหลายๆคนมันก็คิดได้แต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้ความคิดกับความจริงนี่คนละเรื่องกันพอเราหลุดออกจากโลกของความคิดเราจะมาเห็นความจริง เราคอยรู้ความจริงที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าไปเรื่อยๆความจริงปรากฏอยู่ที่ไหนความจริงปรากฏอยู่ที่กายนี้อยู่ที่ใจนี้ความจริงไม่ได้ปรากฏอยู่ในโลกของความคิดความฝันฉะนั้นถ้าเราคอยรู้สึกตัวบ่อยๆเราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจทำงานไปเรื่อยๆพวกเราเริ่มดูออกไหมจิตใจทำงานตลอดเวลาหลายคนเริ่มดูออกนะ การที่เราหลุดออกมาจากโลกของความคิดความฝันเรียกว่าเรามีสติแล้วพอมีสติแล้วคอยรู้กายคอยรู้ใจไม่ใช่มีสติแล้วก็เพลิดเพลินอยู่กับความสุขความสงบไปมัวเผลอเเพลินเอยู่กับความสุขความสงบนี่ใช้ไม่ได้โลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์แต่เราหนีไปหาความสุขนีความจริงศาสนาพุทธเป็นศาสนาของคนที่รักความจริงเราต้องรักความจริงเราต้องมาเรียนรู้ความจริง เราพ้นทุกได้เพราะความรู้เพราะการรู้ที่ถูกต้องไม่ได้พ้นเพราะศรัทธาเพราะสมาธิเพราะศีลเพราะอะไรทั้งสิ้นเลยจะพ้นไปสู่ความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาแต่ปัญญาจะมีได้ก็ต้องอาศัยคุณธรรมอื่นๆเป็นตัวสนับสนุนใช่ไหมมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีศีลมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีๆเกื้อกูลขึ้นมาจนใจของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาได้ เราจะถอดถอนตัวเองออกจากตัวเองทุกวันนี้ที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดมาเรารู้สึกมันเป็นเราจริงๆพอเราหัดภาวานาจิตเราตื่นขึ้นมามันเหมือนมันมีอีกคนหนึ่งเป็นคนดูขึ้นมาร่างกายนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูจิตใจเป็นของถูกรู้ถูกดูเห็นไหมความสุขความทุกข์กุศลอกุศ ล, ลโลภโกรธหลงทั้งหลายเป็นของถูกรู้ถูกดูเป็นของอยู่ห่างๆไปหมดแล้ว กระทั่งร่างกายก็เป็นของถูกรู้ถูกดูถ้าใจเรามีสติแล้วตั้งมั่นขึ้นมามันตื่นแล้วมันตั้งมั่นเต็มที่ไม่ไหลไปในโลกของความคิดความฝันมันจะเห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่เราสังขารที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลอย่างโลภโกรธหลงทั้งหลายไม่ใช่ตัวเรามันจะเห็นอย่างนี้ตัวจิตเองก็เกิดดับจิตเดี๋ยวก็วิ่งไปที่ตาวิ่งไปที่หูวิ่งไปที่ใจ ดูออกหรือยังเห็นไหมจิตไหลไปได้ดูออกหรือยังนั่นแหละคนไม่เคยฝึกนะพอตื่นนอนจิตจะไหลทันทีไหลไปอยู่ในโลกของความคิดแล้วไม่เคยตื่นขึ้นมาเลยไม่เคยรู้เลยว่าจิตไหลไปแล้วฉะนั้นจิตจะหลงไปอยู่แต่ในโลกของความคิดความฝันจิตไม่เคยรู้ความจริงของชีวิตเลยแอบแบ่งเวลาของเราเอาไว้ชั่วโมงนึงสนาทีก็ได้เวลาเดินไปเข้าห้องน้าก็ได้สังเกตใจมันไหลแวบแว บ, แวบ มันหลงไปคิดให้คอยฝึกอย่างนั้นเรื่อยๆในที่สุดเราจะจำสภาวะได้แม่นจิตไหลไปเราก็รู้จิตไหลไปเรารู้สติจะเกิดขึ้นมาอย่างถียิบเลยพอสติเกิดขึ้นมาเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันใจเราตั้งมั่นขึ้นมาเราจะเห็นเลยร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่นี้ร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าอยู่นี้ไม่ใช่เราเห็นทันทีเราจะเห็นทันทีว่าเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ ความรู้สึกเฉยๆก็ไม่ใช่เราแต่เป็นของที่แปลกปลอมเข้ามาอย่างเรานั่งอยู่นี่นะความปวดความเมื่อยมันแทรกเข้ามาเราจะเห็นเลยความปวดความเมื่อยไม่ใช่ร่างกายแต่ความปวดเมื่อยมันแอบเข้ามาอยู่ในร่างกายแล้วความปวดเมื่อยก็ไม่ใช่จิตด้วยจิตเป็นคนดูจิตเป็นคนรู้ฉะนั้นถามว่ากายปวดกายเมื่อยไหมกายไม่ได้ปวดไม่ได้เมื่อยกายเป็นวัตถุไม่มีความรู้สึกถามว่าแล้วจิตปวดจิตเมื่อยไหม จิตก็ไม่ได้ปวดจิตเป็นคนรู้ความปวดความเมื่อยเป็นสภาวะอีกอย่างหนึ่งที่แทรกเข้ามานี่เราเริ่มเห็นแล้วความเจ็บปวดทั้งหลายเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ร่างกายด้วยไม่ใช่จิตใจด้วยเป็นอีกสิ่งหนึ่งในทางบาลีเรียกว่าขันเป็นอีกกองหนึ่งเป็นอีกสภาพหนึ่งเป็นอีกกลุ่มหนึ่งไม่ใช่รูปไม่ใช่กายไม่ใช่จิตแต่เป็นนามธรรมเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่จิต เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอีกนี่เราค่อยฝึกไปนะเราจะเห็นเลยกระทั่งกิเลส ก, ก็เป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอีกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เท่านั้นเองถ้าจิตไม่รู้ถึงมีอยู่ก็ไม่มีความหมายอะไรนี่เราจะค่อยๆแยกขันออกไปการเจริญปัญญาเริ่มต้นด้วยการหัดแยกขันออกไปพอเรารู้สึกตัวเป็นแล้วเราจะเห็นสิ่งที่เรียกว่าตัวเรากระจายออกไปเป็นกองๆอง เรียกว่ากระจายออกไปเป็นขันขันภาษาบาลีเรียกขันเป็นกองนั่นเองเป็นกลุ่มเป็นกองเป็นส่วนส่วนเป็นหลายส่วนหลายภาคหลายชั้นแต่เดิมมีตัวเราหนึ่งคนเท่านั้นเองพอเราหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันแล้วใจของเราตั้งมั่นขึ้นมาเราจะเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่ง แต่ละส่วนแต่ละส่วนที่กระจายตัวออกไปนั้นไม่มีตัวเราทันทีที่เรารู้สึกตัวรู้สึกไหมร่างกายนี้เขาจะไม่พูดว่าเขาเป็นตัวเราแล้วเราจะรู้สึกว่าร่างกายเป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งมันไม่ใช่เราลองสัมผัส ด, ดูสิอา้าวนวดตัวเองดูลองดูซิแขนมันบอกไหมว่ามันเป็นตัวเราแขนมันเฉยเฉยรู้สึกไหมมันเงียบเงียบมันไม่พูดอะไรมันไม่คิดอะไรแขนนะ่ะ ถ้าเราหัดรู้สึกตัวแล้วขันกระจายออกไปขันแต่ละขันจะไม่ใช่ตัวเราแต่ถ้าขันทั้งหลายมารวมตัวอยู่ด้วยกันเราจะเกิดความสำคัญมั่นหมายว่านี่เป็นตัวเราขึ้นมาถ้ามีตัวเราก็มีเราแก่เราเจ็บเราตายมีเราสมหวังมีเราผิดหวังมีเราพลัดพรากจากสิ่งที่รักมีเราไปเจอสิ่งที่ไม่รักมันก็มีความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีคราวนี้ใครแก่ใครเจ็บใครตายละ่ะ ร่างกายมันแก่ร่างกายมันเจ็บร่างกายมันตายไม่ใช่เราแก่ไม่ใช่เราเจ็บไม่ใช่เราตายอีกต่อไปแล้วส่วนจิตใจก็เกิดดับตลอดเวลาเดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยววิ่งไปที่ตาเดี๋ยววิ่งไปที่หูเดี๋ยววิ่งไปคิดเขาทำงานของเขาเองเขาไม่ใช่ตัวเราเขาเกิดดับตลอดเวลาเขาไม่ใช่ตัวเรานี่ดูอย่างนี้ดูลงในกายเห็นกายไม่ใช่เรา ดูลงไปที่จิตใจเห็นจิตใจไม่ใช่เราตัวเราไม่มีหรอกแต่ละอันแต่ละขันนี่พอขันกระจายตัวออกไปแล้วจะเห็นว่าขันแต่ละขันไม่ใช่เราแล้วขันก็เป็นแค่ขันเท่านั้นเองแล้วถ้าไม่มีตัวเราใครเป็นผู้ทำกรรมก็ขันนาศิมันทำกรรมขันมันทำของมันเองแต่ถ้าสติปัญญาแก่รอบนะเห็นขันมันทำเราไม่ได้ทำคราวนี้สิ่งที่ขันทาจะกลายเป็นกิริยาล้วนๆเลยเราไม่ได้ทาเสียแล้ว ค่อยเรียนนะเรียนลงไปจนเห็นเลยตัวเราไม่มีถ้าตัวเราไม่มีแล้วใครจะทุกข์ตัวเราไม่มีแล้วใครจะทุกข์ก็เรื่องของมันสิถามว่าใครทุกข์ล่ะก็ขันมันทุกข์เพราะฉะนั้นพวกเราค่อยฝึกนะวันใดเห็นว่าตัวเราไม่มีเราก็สบายไปเยอะแล้วสบายก็ตัวเราไม่มีแล้วใครจะทุกข์ล่ะกายมันทุกข์ใจมันทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์ใครเป็นคนยืนเดิน น, นั่ ง, น, น, งนอนร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอน ใครมันโลภใครมันโกรธใครมันหลงจิตมันโลภจิตมันโกรธจิตมันหลงไม่ใช่เราโลภไม่ใช่เราโกรธไม่ใช่เราหลงไม่มีเรากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราฝึกไปเรื่อยต่อไปอะไรเกิดขึ้นในชีวิตมันจะรู้สึกเหมือนกับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนอื่นอย่างเราเกิดไม่สบายหนักอยู่ๆหมอตรวจเจอเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วยังอยู่ได้อีกหนึ่งปีคนทั่วไปพอได้ยินตรงนี้ช็อกตายเลยในสามวันอะไรอย่างนี้ ถ้าเราเป็นอย่างนั้นขึ้นมาปุ๊บเราจะรู้สึกเหมือนได้ยินข่าวว่าคนอื่นเป็นตอนนี้เราได้ยินข่าวคนที่เราไม่รู้จักเป็นมะเรง็งเรารู้สึกอะไรไหมเรารู้สึกเฉยๆใช่ไหมอย่างมากก็บ่นนิดหน่อยเฮ้อทำไมเดี๋ยวนี้คนเป็นเยอะเราจะถึงวันไหนนะแต่คงไม่ถึงเราหรอกเราต้องอายุนับไม่ถ้วนมีใครคิดว่าตัวเองจะตายวันนี้บ้างไมใครจะโกหกหลวงพ่อว่าคิดมีไหมไม่คิดหรอกยกเว้นป่วยหนักอยู่ ใครจะคิดว่าเราจะตายเดือนนี้มีไหมไม่รู้ใช่ไหมแต่เราไม่คิดอย่างนั้นหรอกเพราะเราจะเชื่อเอาว่าเรายังอยู่อีกนานแสนนานคนอื่นตายได้ยกเว้นเราไม่คิดหรอกว่าเราจะตายนี่เรียกว่ายังประมาทอยู่ถ้าไม่ประมาทนี่เราคอยดูของเราเรื่อยอะไรเกิดปุ๊บปั๊บขึ้นมาเราจะเห็นเลยร่างกายมันตายไม่ใช่เราตายร่างกายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บจะเห็นอย่างนั้นเลย คนที่ฝึกกับหลวงพ่อจำนวนมากหลายคนแล้วที่เกิดร่อแร่ปางตายขึ้นมาแล้วรอดชีวิตมารายงานส่งกันบ้านจะมาบอกเลยว่าตอนที่มันเจ็บหนักใกล้จะตายรู้ว่าจะตายแน่ๆแล้วรอบนี้ใจมันหมดความดิ้นรนใจมันถอยออกมาเลยเห็นร่างกายมันจะตายแล้วเห็นร่างกายมันเจ็บมันปวดใจอยู่ตังหกใจไม่ทุกข์ด้วยแล้วตายก็ตายแล้วถึงเวลานั้นนี่พอเราภาวนาถึงขีดสุดหนึ่งนะธรรมะคุ้มครองเราแล้ว อะไรจะเกิดกระทั่งตัวเองจะตายทำมาอย่างคุ้มครองเลยคือจิตของเราไม่ทุกนะจิตเรามีความสงบมีความตั้งมั่นอยู่เมื่อไม่กี่วันนี้หลวงพ่อไปเผาพระองค์หนึ่งท่านก็ฝึกอย่างนี้แหละฝึกแบบพวกเราฝึกฝึกเหมือนที่พระท่านมากันอย่างนี้ได้บ้างไม่ได้บ้างดีบ้างร้ายบ้างแกว่งขึ้นแกว่งลงทุกๆกวันแต่บทจะตายขึ้นมาจิตห้าวหาญจิตตั้งมั่นขึ้นมาเลยเพราะรู้ว่ารอบนี้ตายแน่ พารู้ว่ารอบนี้ตายแน่อา้าวตายเป็นตายแล้วใจมันตั้งมั่นมันเด็ดเดี่ยวขึ้นมาเลยมันเห็นร่างกายตายจิตใจไม่กระเพื่อมไม่หวั่นไหวอย่างนี้เขาเรียกว่าตายอย่างสง่าผ่าเผยนี่เราฝึกเอาไว้แม้ไม่ถึงขนาดตายเวลาที่ความทุกข์บีบคั้นเรามากๆใจมันยังห้าวหาญต่อสู้ขึ้นมาได้สติปัญญามันช่วยตัวเองขึ้นมาได้มีผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งลูกไม่สบายสองพ่อแม่ก็ไปจับอยู่ข้างเตียง ดูลูกแล้วร้องไห้ใหญ่คิดว่าลูกต้องตายแล้วรอบนี้ทั้งคู่เคยมาเรียนกับหลวงพ่อหัดภาวนาหัดดูจิตดูใจดูกายอะไรอย่างนี้แหละร้องร้องร้องไปแม่เกิดหันไปเห็นลูกที่นอนบนเตียงอุ๊ยนี่มันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมันไม่ใช่ลูกเรามันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุใจมันรู้สึกเลยนี่เป็นวัตถุเท่านั้นเองวัตถุนี้กาลังจะแตกสลายไป จิตที่กําลังเศร้าโศกนะดีดผางขึ้นมาเลยหายเศร้าเลยเลิกร้องไห้สามีเห็นภรรยาเลิกร้องไห้ก็เลยเลิกบ้างเลยไม่รู้ว่าแกร้องเพราะห่วงลูกหรือห่วงเมียบางคนร้องตามเมียหลวงพ่อเคยเห็นมีญาติคนหนึ่งถ้าเมียร้องไห้แกจะร้องด้วยน่ารักเป็นคนอ่อนโยนน่ารักเวลาที่เราเกิดเรื่องฉุกเฉินขึ้นมาบีบคั้นขึ้นมาใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมามีสติมีสัมมาสมาธิมีปัญญา เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงใจจะตั้งมั่นขึ้นมาไม่ทุกข์หรอกลูกจะตายก็ไม่ทุกข์ตัวเองจะตายก็ไม่ทุกข์นี่เรื่องร้ายๆทั้งนั้นเรื่องลูกจะตายเป็นเรื่องร้ายแรงมากใครที่มีลูกลองคิดดูว่าถ้าลูกตายปุ๊บปั๊บเราจะรู้สึกอย่างไรเป็นเรื่องร้ายแรงขนาดนั้นแต่ผู้ที่ฝึกสติฝึกจิตฝึกใจดีแล้วนี่ยังตั้งมั่นขึ้นมาได้เอาตัวรอดได้เคสในวงเล็บกรณีนี้จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้ง ในวงเล็บมีความสุขคือลูกไม่ตายส่วนเคสที่เจ็บหนักนะตายบ้างรอดบ้างหรือบางทีขับรถนี่นายตึกนี่ชอบทํารูปหลวงพ่อมาให้คนแจกเอาไปแปะไว้ตามรถมีเคสมารายงานมากมายรถคว่ำรถงายอย่างมากก็หน้าถลอกไปหน่อยมีเคสพี่ชัยกับอ้อยอ้อยหน้าถลอกไปหน่อยถามว่าหลวงพ่อขลังนักเหรอือรูปไม่ต้องปลุกต้องเสกอะไรทําไมรถคว่ำรถงายไม่เป็นอะไรสักรายหนึ่งอย่างมากก็แค่ะลอกะลอก จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าคนซึ่งฝึกสติดีแล้วสตินั่นแหละคุ้มครองเวลาเกิดอะไรฉุกเฉินไม่ตกอกตกใจหรอกตกใจวูบแรกเท่านั้นเองถัดจากนั้นจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาแล้วจิตที่ตั้งมั่นนี่มันทําให้เกิดสติปัญญาแก้ไขปัญหาได้พ่อนหนักเป็นเบาได้หัวกําลังจะโขกตรงนี้แล้วก็หลบหลีกได้เอาแค่หน้าแฉล็บฉลบไปโดนนี่สติช่วยเราได้นะกระทั่งในเวลาฉุกเฉินฉะนั้นถ้าเรามีเวลาว่างอย่ามัวแต่คุย ดูของเราไปดูจิตของเราหลายแวบหลแวบดูอย่างนี้แหละต่อไปสติจะเกิดในชีวิตประจำวันร่างกายเคลื่อนไหวจะรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวจะรู้สึกถัดจากนั้นจะเริ่มเกิดปัญญามันจะเห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเรามันเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเคลื่อนไหวมันจะเห็นว่าจิตใจที่ทำงานนี่ก็ไม่ใช่ตัวเราจิตใจมันทางานได้เองเดี๋ยวมันก็ไปคิดเองเดี๋ยวมันก็ไปดูเองเดี๋ยวมันก็ไปฟังเอง เดี๋ยวมันก็โลภเองโกรธเองหลงเองเดี๋ยวมันก็ฟุ้งซ่านเองเดี๋ยวมันก็หดหู่เองมันทําของมันเองตลอดเวลาเลยเนี่ยฝึกของเราอย่างนี้จนกระทั่งปัญญามันพอมันจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจนี้ไม่ใช่ตัวเราวันนี้สอนแค่นี้พอสอนแค่กายกับใจไม่ใช่เรานี่วิธีเจริญปัญญานะมีสติรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็รู้กายรู้ใจอย่างที่เข้าเป็นไปเรื่อยๆดูเขาทํางานไปอย่าเข้าไปแทรกแซงเขา ดูจิตเดี๋ยวมันก็ไปคิดเดี๋ยวมันไปดูเดี๋ยวมันไปฟังเดี๋ยวมันโลภมันโกรธมันหลงมันเป็นเองดูไปดูไปจนวันหนึ่งมันพอมันจะเห็นเลยทั้งกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราหรอกมันทํางานของมันเองไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงผู้ใดที่เห็นกายเห็นใจไม่ใช่เราผู้นั้นคือพระโสดาบันพระโสดาบันคือผู้ที่เห็นความจริงยอมรับความจริงแล้วว่าตัวเราไม่มีกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เรา กายมีเหตุกายก็เกิดขึ้นกายหมดเหตุกายก็ดับไปจิตใจนี้มีเหตุก็เกิดขึ้นหมดเหตุก็ดับไปไม่มีตัวเราที่ถาวรถ้าเห็นอย่างนี้ได้ได้พระโสดาบันเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ค่อยต่อเอาให้ถึงพระอรหันต์วันนี้เอาแค่นี้ก่อนถ้าจิตใจเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วอย่าให้หลับไปอีกลับมานานแสนนานนับกับนับกันไม่ท้วนแล้วได้ตื่นขึ้นมาเป็นมนุษย์ที่แท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าเคยสอนนะ บอกผู้มีสติอยู่นี่แม้มีชีวิตอยู่เพียงคืนเดียวก็เป็นชีวิตที่น่าชมเมื่อวานนี้พวกเรามีชีวิตที่น่าชมนะวันนี้จิตใจของพวกเราเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วท่านบอกว่าคนมีอายุตั้งร้อยปีแต่ไม่เคยมีสติเลยนี่ไม่น่าชมเลยเป็นชีวิตที่ว่างเปล่าไร้สาระคนมีสติเจริญสติอยู่แม้มีชีวิตอยู่เพียงคืนเดียวราตีเดียวก็พึงชมน่าชมเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราหัดจเจริญสติอยู่ นี่ไม่ใช่หลวงพ่อชมนะพระพุทธเจ้าท่านชมเอาไว้อย่าปล่อยให้ชีวิตสูญเปล่าไปวันหนึ่งวันหนึ่งหันให้มีสติเรื่อยๆไปแค่มีสติคืนเดียวยังน่าชมเลยถ้ามีสติเป็นเดือนเป็นปีจะน่าชมขนาดไหนเราจะได้ลิ้มรสชาติของธรรมะที่แท้จริงเป็นลำดับลำดับไปเมื่อใดได้เป็นพระโสดาบันจะได้รู้จักธรรมะอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่เคยรู้จักนั่นคือนิพพานในขณะนี้ยังไม่รู้จักนิพพาน ปุตุชนไม่เคยเห็นนิพพานเลยวันใดได้เป็นพระโสดาบันถึงรู้จักนิพพานแต่รู้ยังไม่ชัดนะรู้ได้แวบเดียวเดี๋ยวมันก็ดับนิพพานไม่ดับนะแต่จิตที่ไปรู้นิพพานมันดับไปซสแล้วกลายเป็นจิตที่กลับมาอยู่กับโลกธรรมดานี่เองฝึกไปครั้งที่สองครั้งที่สจนถึงครั้งที่สี่ที่เป็นพระอรหนนันต์นี่เป็นพระอรหันต์แล้วเวลาที่คิดถึงนิพพานจิตจะทรงอยู่กับนิพพานทันทีเลยไม่มีเข้าไม่มีออก จะพบว่านิพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเลยฝึกไปนะฝึกไป